ก็ความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่롱ประโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดถึงลักษณะความเชื่อลัทธิศาสนาซึ่งปรากฏอยู่ในชุมพูตวิปแต่ก็ต้องมองในแนวของพัฒนาการนะเราจะเห็นว่าถ้าเราเรียงลำดับเราก็ไม่เรียกเป็นศาสนาทั้งหมด คือองค์ประกอบของความเป็นศาสนานั้นจะต้องมีหนึ่งศาสดาที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์พิสูจน์ทดสอบได้แล้วก็สองต้องมีศาสนาธรรมพิศาสนิกให้ความสำคัญและนับถือค่อนไปทางศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีศาสนิาซึ่งบางศาสนาก็ไม่แบ่งแยกเป็นนักบวชเป็นฆรวาสบางบางศาสนาก็แบ่งแยก เป็นนักบสองกลุ่มแล้วก็ประการที่สามคือต้องมีาศาสนสถานาศาสนาสถานนั้นมันจะมีลักษณะของบุญยสถานบ้างนะบุญยสถานแล้วก็าศาสนสถานสาธารณสถานจะหมายความว่าเป็นที่ทั่วไปแก่คนทั้งหลายแต่ว่าบางาศาสนาก็าศาสนาในาศาสนาอื่นเข้าไปไม่ได้ก็มีนะ แล้วก็มีศาสนาพิธีกรูปแบบพิธีกรรมต่างๆถ้าเรานำมาเรียงก็จะเห็นว่ายุคสมัยตรงนั้นที่จริงมันมีลักษณะเป็นลัทธิเป็นลทันลทธิเป็นกระแสะความเชื่อมันก็พัฒนามาจากพวกวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตแบบแผนต่างๆที่สืบต่อกันมาจากความเชื่อถูขอข้างชนเผ่าในเรื่องเหล่านั้น แล้วพัฒนามาถึงก็กลายเป็นลทัทธิเจนว่าลัทธิบูชาไฟลัทธิบูชาอแม่น้ําลัทธิบูชาลมลัทธิบูชาภูเขาอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ทิ้งอ่ะเห็นไหมในปัจจุบันเนี่ยดินน้าลงไฟก็คงมาเกี่ยวข้องอยู่อย่างไรแต่ว่าใช้ในแนวไหนก็ตามแล้วก็มีอยู่ทุกศาสนา แต่ธรรมชาติทั้งสี่เนี่ยมันเราก็ไปส่วนหนึ่งของดินน้ำมัน ไ, นไฟนะฮะงั้นก็ก็ใช้ในพธิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แต่ว่ารูปแบบนั้นอานจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าพัฒนาการทางความคิดของกลุ่มคนเหล่านั้นแต่นั้นมาตอนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าเราก็มันปรากฏอยู่ในรามายณะแหละนะนะปรากฏอยู่ในเรื่องรามเกียรติ คือเทพเจ้าองค์หนึ่งเมื่อก่อนมันชื่ออินโทแปลเป็นใหญ่คือพระอินเนี่ยพระอินเนี่ยเป็นเทพเจ้าผู้ใหญ่แต่ว่าในระยะหลังเนี่ยฐานะมันตกต่ำลงมากโดยเฉพาะยุค ป, ปุราณนะเนี่ยซึ่งเป็นยุครามายณนะอความมายุคของยุคของรามเกียรติเนี่ยบทบาทของพระอินก็ตกดับลงไปเพราะว่าสมัยนั้นเราก็นึกดูถึงพระศิวะเนี่ ย, ะะ ย, ยจะเป็นใหญ่พระอิศวรก็ได้อิศวรเนี่ยจะเป็นใหญ่ อะไรก็เทพเจา้าประจำไกรลาดสกิรีแต่ก็มีบางทีนะฮเราจะเห็นว่าเช่นเรื่องเอาราชรถมาให้เนี่ยเอาราชราชรถมาให้กับพระรามเนี่ยก็พระอินทร์เอามาให้ก็ท้าวกศสีเนี่ยเอามาให้พระอินทร์ก็มีชื่อหลายๆายชื่อแต่ว่าบทบาทยุครามายณะนั่นแหละมันก็ ทำให้เทพเจ้าเนี่ยมันเสื่อมคือเทพเจ้าอินโทที่จริงค่อนข้างใหญ่นะถ้าเราดูย้อนไปอดีตเนี่ยคำว่าอินโทหรืออินทร์เนี่ยนะเป็นใหญ่เพราะอินโทแปลว่ า, เ, าเป็นใหญ่มันความประพฤติเนี่ยลูกน้องไปขยายออกมากไปแล้วในสุดตั้งก็เสื่อมเรื่อยที่เสื่อมแรงๆเนี่ยคือในเรื่องรําเกียร์นึกออกนะที่เป็นพ่อของพาลีเนี่ยคือไปยุ่งเกี่ยวกับ พัญญาของโคโดมฤทศีแอบลบอบได้เสียกับปัญญาของโคโดมฤทศีก็เกิดลูกมาเป็นพลัลีนะและเทวดาสมัยนั้นก็เละเทะมากนะพระอาทิตย์ก็ไปเป็นชู้ก็มีโคโดมฤทศีเบางกันก็เกิดลูกมาเป็นสุครีที่จริงเกิดเป็นคนนะไม่จะเกิดเป็นลิงหรอกแต่ว่าถูกแรงอนธะิษฐานของโคโดมฤทศีเลยก็ตอนปล่อยนะนางสวา่าหะซึ่งเป็นลูกสาวจริงๆ คือเขาพูดเป็นในเป็นในก็ทําให้ท่านเกิดสงสัยแล้วก็อธิษฐานพวกนี้ก็เลยกลายเป็นลิงไปทั้งคู่ว่าถ้าไม่ใช่ลูกของท่านเมันลูกชูก็ไม่เป็นลิงไปแต่เป็นลูกของท่านก็ายกลับมาก็ยังเหลือนางสวหาอีกอคนเดียวแล้วก็ต่อมาเนี่ยพระอินทร์ก็เกิดไปรบแพ้กับเมฆกานาตแต่ว่าตอนนั้นยังพอทำเนานะ พราตอนที่เป็นยุ่งกับเมียโคโดมฤษีนี่ทําให้พระอินเสียเชิงเยอะตกต่ําไปเยอะโคโดมกโกรธแต่ก็แปลกนะไม่สาบปราทิศไม่สาปอ๋ อ, อพระอินทก็แสดงว่าปราทิศนี่ปราทิศในความหมายของเขามาเป็นทูตเทพคล้ายๆก็ขับรถอะไรเนี่ยขับรถเทียมม้าด้วยพันตัวอะไรเนี่ย แล้วก็สาบครั้งแรกเนี่ยสาบอาวัยวะเพศผู้หญิงให้เต็มตัวเลยนะฮะเต็มตัวไปหมดเลยมันแก้ไม่ได้สรสาบไปแล้วเนี่ยฤาษีเองก็ไม่ยอมแก่ก็เลยต้องไปขอโทษปรีประ น, ปนอมกันก็ให้เปลี่ยนอวัยวะเพศผู้หญิงเป็นตาเลยก็เรียกว่าเท้าสาบชนันไปว่าเท้าพันตา ก็เกียรติภูมิของพระอินก็ตกต่ำลงไปต่ลงก็มาถึงยุคหนึ่งที่เรียกว่าท่านไปรบกับรบกับเมฆานาศลูกทศ ก, กัณฐ์เนี่ยไปแพ้เมฆานาศเลยเมฆานาศก็ได้ชื่อใหม่แบบอินทรชิตแปลผู้พิชิตพระอินเสียเชิงหมดเลยเจวดาเสียเชิงมากก็ลูกน้องมันไปอธิบายขยายคือบางทีเนี่ยมันไปพูดในมุมใดมุมหนึ่งมันก็เป็ดน็กว่า พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอย่างงี้ลูกพี่ก็เสียหมดเลยฉนั้นสุดทานะของพระอิน์ก็ตกต่ำคนก็แตกแยกพวกพราหมณ์ซึ่งถือว่าที่จริงเนี่ยมันเดิมจริงๆคนกลุ่มนี้เป็นคนที่เร่ร่อนนะไปพบเห็นพฤติกรรมต่างๆคือความเชื่อในหมู่มนุษย์เยบางทีมันเอานิยายเลยไม่ได้เช่นสมมติว่าบางทีนิตเดิมมันอาจจะเป็นอุจารสุนัข ก, ก็ได้อะไรก็ได้นะ สมมติเราคนเดินก็ถือดอกไม้ไปก็เห็นสุนัขมันถ่ายเอาไว้ก็กลัวคนอื่นจะเหยียบก็โยนดอกไม้ไปปิดไว้ไอ้คนอื่นไม่เห็นเข้าก็สงสัยก็เอาดอกไม้ไปวางไว้ไอ้คนนั่นก็วางคนนี้ก็วางวางก็กลายเป็นกองดอกไม้นานเข้านานเข้าคนก็สักการะบูชาแล้วก็อธิษฐานมันก็ได้อะไรขึ้นมาบ้างไงนะฮะเสร็จแล้วก็ไปเชื่อมโยงก็ให้ความศักดิ์สิทธิ์แก่ตรงนั้นเนี่ย มื่ในการเคารวนับถือของมนุษย์เนี่ยบางทีมันเป็นจอมปลวกบางทีมันเป็นลมฟางบางทีมันเป็นตอไม้เป็นต้นไม้เป็นปูเขาเป็นเงื่อมเขาเป็นถ้ำเป็นอะไรเนี่ยคือเวลาแกอธิษฐานอะไรเนี่ยแกก็เชื่อมโยงแม้แต่เด็กในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะมันมีเรื่องขำก็ขำนะสลดก็สลดใจเด็กแม่สาว ร, ระดับคนหนึ่งเนี่ยที่จริงก็ระดับ ระดับมัธยมนะแต่คนหนึ่งระดับม้าจะไหลาแล้วเป็นเด็กมาจากต่างจังหวัดมันก็เรียนศาสนาคริสต์ทางไปรสณีเรียนแล้วก็เกิดอธิษฐานเกิดเคารพนับเสือ้อนับถือขึ้นมานะคคนหนึ่งเนี่ยที่จริงมันมันไปง่ายๆอ่ะ น, นี่คือแกไปยืนคอยรถเมย์อยู่แล้วก็ลองอธิษฐานให้พระเจ้าจะส่งรถเมย์มาให้แก รถเมลก็มาตามเวลาของมนะันนะั่นนะะเพราะงั้นแกเชื่อว่าพระเจ้านี่ส่งมาให้แกแกก็เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์เลยก็กจุงมไปจิมหน้าเอ็นดูดีเงนั่นนะฮนะเดวคนหนึ่งเนี่ยมันไม่มีคาดเถิมแล้วก็ไปเล่าไปเพื่อนที่นับถือคริสต์ฟังเพื่อนก็บอกว่าแกไปขอไปพูดเป็นเจ้าเจ้ อันนี้ก็ไปแอบกระซิบบอกปบาดหลวงไว้เสีย น, นี้ก็ไปที่ฐานไปบอกไะบอกยอดเงินบอกอะไรแต่ไรเรียบร้อยเมื่อกี่วันก็มีธนานัตส่งเงินมาให้ถึงบ้านเลยหึืแกไปคิดว่าพระเจ้าส่งมาให้แกแกเข้ารีดทนะั้งถือคิดแต่เห็นนะ่ะมีลักษณะเชื่อมโยงลักษณะเชื่อมโยงเราอยากให้พระเจ้าส่งรถมาให้พอดีรถมาพอดีแล้วก็นึกว่าพระเจ้าส่งมาให้ก็ทึกทักเอานะ และนี้ก็เหมือนกันนะฮะคือจริงๆแกก็ต้องดูที่มาของธนานัตที่มาคนโรยเฉพาะอย่างยิ่งที่ซองนะอ่ะจะเห็นว่าไม่ใช่มาจากสวแล้ะก็มาจากไปรษณีนั่นแหละแต่คนโรถ้าเชื่อแล้วมันไปเลยอ่ะมันจะเอาไปเชื่อมกันเพราะในกระแสตรงนี้ถ้าเราเทียบเทียบลักษณะการเดินของจิตคือมันมันมีผัสสะคือสัมผัส สัมผัสคือการการการสัมผัสประทางประสาททั้งทั้งห้าทั้งหกนี่แล้วก็แล้วกเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือสุขทุกเนี่ยแล้วก็เกิดตัณหาคืออยากได้อยากได้ก็ออยากไม่ให้ได้นะฮะแล้วก็พอได้ไม่ได้ตามที่ตนอธิษฐานหรือตามตนแสดงออกมันก็กลายเป็นอุปทานคือ ย, ยึด ยึดว่าไอเ น, นี้ยพระเจ้าไอเทพเจ้าส่งมาให้ไอเนี้ยพระเจ้าส่งมาให้อันนี้เ อ, นนอพระเจ้าลงโทษอะไรแต่ละก็ว่ากันก็แล้วก็มันเป็นพบเป็นความรู้สึกที่ปักใจฝังใจอยู่ภายในจิตของเขาตอนตรงนี้ถ้าถอนตรงนี้ไม่ได้เขาก็ยึดติดอยู่นนะยอย่างนั้นนะยึดติดอยู่อย่างนั้นเอาตัวเองเข้าไปเชื่อมโยงแต่เขาก็ไม่ได้มองนะ คือไม่ได้มองว่าถ้าอย่างนั้นเนะี่ยถ้าอย่างนั้นฤเทพพระเจ้าก็ได้พระเจ้าก็ได้ะไดอะไรก็ไดนะ้ถ้าท่านสามารถจะธานานัดเงินมาให้จริงๆเนี่ยก็ทำไมโบสถ์ร้องไปขอเงินจากชาวบ้านนะก็ยังนึกถึงชาวเลนะชาวเลที่ภูกเก็ตแถวเนี้ยแถวพังงาแถวอะไรเนี่ย มันมีศาสนะหนึ่ง<ม>ก็ไปเผยพระเอาของมาแจกแจกแจกบอกว่าพระเจ้าส่งมาให้พี่น้องทั้งหลายนั่นก็พระเจ้าส่งมาให้นั่นก็พระเจ้าประทานให้นั่นพระเจ้าส่งมาให้ทนี้ก็รับเลส น, นะฮะแต่ถึงจุดหนึ่งก็บาทหลวงก็เริ่มเรีไรวันนี้เริ่มเรีร่รหัวหน้าชาเลเนี่ยมันถามดีนะ ถามดีก็บอกเอา้าแล้วของที่คุณคุณเอามาให้เนี่ยไหนคุณบอกว่าพระเจ้าส่งมาให้อ่ะแล้วทําไมก็แสดงพระเจ้าก็รวยเงินเนยอะทําไมคุณมาขอเงินพวกเราทําไมก็แสดงว่าถ้าพระเจ้าส่งมาให้จริงก็แสดงพระเจ้าก็ร่ํารวยแล้วทําไมจะรบกวนคนยากจนอย่างพวกเราแต่ถ้าหากว่า พระเจ้าไม่ได้ส่งมาก็แสดงคุณเริ่มรถมาจากโกหกเพราะมันก็ต้องเอาไว้ได้ทักอย่างหัวหน้าเผ่าชะเลนะเขาลุกเขลุกทีเดียวเลยศาสนาต้องต้องออกเลยต้องถอนตัวเลยแต่ว่ามนุษย์ถ้าปล่อยให้กลัวครอบงำแล้วเนี่ยเขาจะไม่คิดดังนั้นเทพเจ้าเหล่านี้พอรวนเด๋ยมันมันกลายเป็นเทพเจ้าเป็นหลายองค์แล้วก็สถานะนี่มันมันต้อยตามดงปลา ก็ทำให้พวกพรามซึ่งไปสังเกตพฤติกรรมอะไรต่างๆอย่างที่บอกเนี่ยคือความเป็นมากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางอย่างเนี่ยบางทีเลวเป็นน้ำเลยนะไม่มีใครรู้เพียงแต่ว่าเราไปสร้างอุปท า, านขึ้นมาพปยิติกระตรงนั้นแล้วก็ยอมสยบยอมสรุปกับจเวทอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับนั่งที่ภายใต้ต้นอาสัตรพฤกเนี่ย อันนี่ที่นั่งอยู่แล้วเขาแสดงว่าตรงนั้นเป็นจวเจว็ตเป็นที่ที่พวกพราหมมาบวงสรวงแสดงความเคารพนับถือก็ไม่ธรรมดานะตอนนั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์ขึ้นไปประทับเฉยเลยคือไม่ยอมรับไม่ยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นแล้วก็บําเพ็ญเพียรตรงนั้นก็จนได้ตรัสรู้โดยอะไรล่ะ เทวดาที่ว่าสิงสถิตอยู่ตรงนั้นก็ถ้ามีนะฮะก็ไม่ได้ขาดขวามอะไรเดีวยวกลับผู้มาลมาไปจนก็ปรากฏว่าหนีไปด้วยแล้วก็บอกว่าเทวดาก็หนีไปหมดอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้่แต่การเราจะเห็นอย่างหนึ่งนะว่าคนคนหนึ่งมันเกิดมาในยุคสมัยตรงนั้นไอ้สิ่งที่คนเขารันับถือเนี่ยเขาก็ไม่นับถือ เดี๋ยวก็มีเหตุผลในการไม่นับถือด้วยแต่ถ้าเรายังกลัวอยู่ยังยอมสยบอยู่ก็ต้องนับถือก็อในที่สุดพวกพรามมันก็ต้องคิดใหม่ว่าทำยังไงละ่ะพระเจ้าหรือเทพเจ้าผู้ใหญ่เนะี่ยผู้เป็นใอินโทเนอินอินทร์เนี่ย น, นะก็เสียเชิงไปเยอะแล้วก็เผาโลกไปยังแพ้ยักษ์หลายลูกยักษ์ด้วย ดนที่สุดมันก็สร้างเทพเจ้าขึ้นใหม่แต่ว่าไม่อธิบายใหม่เลยเพราะความความคิดเหล่าเนี้ยถ้าเราแยกประเภทกระแสความคิดมันก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดียเ๋ยวนี้คือมนุษจะมีกระแสความคิดในเชิงที่เป็นวัตถุนิยมกับจิตตนิยมเวลานี้มันก็มีลักษณะของวัตถุนิยมเยอะแล้วก็จิตนิยมก็เยอะนะฮะเพียงแต่ว่า อย่าให้ถึงก็สุดขั้วก็แล้วกันเพราะแนวตัวนี้มันก็เกิดความคิดอธิบายโลกใหม่เลยพวกปรามอธิบายโลกใหม่โดยลืมไปว่าโลกมันมีมาแล้วอธิบายไปสาวไปไกลลิปเลยนะเป็นกำเนิดโลกเห็นไหมพวกศาสนาแนวเทวนิยมจะพูดถึงกำเนิดโลกแล้วก็อ้างตัวเองไปเชื่อมโยงกับความเป็นมาของโลก แล้วก็พยายามที่จะให้สังคมมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นหนี้บุญคุณของสิ่งสูงสุดในาศาสนาของเขาเพราะว่าสิ่งสูงสุดในาศาสนาของเขาเป็นผู้สร้างโลกมันก็กลายเป็นว่าครั้งแรกเนี่ยที่จริงมาอธิบายเป็นรูปรู ป, ปรธรรมกับ น, นามนธรรมตัวรู ป, ปรธรรมก็เรียกว่าประกริตัวนามนธรรมก็เรียกว่าปรมาตามันมหตาตมันแล้วก็ ตางโคจรโดยอิสระต่อกันแต่ว่าตัวปรมา ต, ตามันเนี่ยมันมีความรักมีความชังได้มีความคิดแบบจิตเนี่ยนะฮะก็เมื่อหมุนมาเจอกันเนี่ยมันเกิดชอบใจในตัวประกิเลยก็แยกตัวเองเข้าไปสิงสู่ในประกติคือในรู ป, ปรวัตถุมันก็กลายเป็นสัพชีวิตขึ้นมาในโลก ในโลกแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยนะฮะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยจนถึงจุดคือมันมันนี่มันเป็นนามธรรมแล้วก็คนก็ไปนับถือไอ้สิ่งสูงสุดตรงนั้นเมื่อก่อนก็เรียกว่าปรมาตารย์ธรรมปรมาจารย์ธรรมันเป็นนามธรรมมันสัมผัสไม่ได้คือมนุษย์เนี่ยไปพูดเรื่องสัมผัสไม่ได้เนี่ยมันเอาไม่อยู่ก็ในที่สุดมันก็เปลี่ยนมากลายเป็นพรหมันซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม แต่คล้ายๆกับเมียแต่เป็นเงารางๆอยู่นะครับพอพูดแล้วอธิบายไปมันก็เห็นเป็นเงารางๆเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นเป็นพระพรหมนะฮะแต่ว่าตอนครั้งแรกเนี่ยจริงๆมันเป็นเป็นนัุงศักกิลิงคือไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายเพราะอะไรว่ากลัวถ้าเป็นผู้ชายก็กลัวจะยุ่งกับเมียชาวบ้านนีกจะเป็นผู้หญิงมันก็เทพเจ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็ลาบากเพราะว่า ถ้าเรามองมันไม่ถึงกับยุครังเกียจผู้หญิงนะเพราะว่าเทพเจ้าจริงๆเนี่ยพอถึงยุคหนึ่งมันก็มีนะฮะเทพเจ้าสามองค์อย่างน้อยเนี่ยเทพเจ้าสามองค์เนี่ยเทพธิดาใหญ่แต่ก็เรียกมไม่ไดเรียกว่าเทพธิดาเรียกศัตด์หลินะพระอุมาเนี่ยมันก็แยกเป็นปางธุราคาปางกาลีปางอุมาแยกพ่างปากได้นะฮะแล้วก็สุรัตปดีเนี่ยเป็นเทพธิดาแห่งปัญญาลักษมีเป็นเทพทเจ้เ า, าของความเทพธิดา ของความดีงามนะฮะก็ลักษณะเป็นเทพเจ้าก็เรียกเรียกไปทํำนองเทพเจ้าระศักดิ์สิทโดยจะใกล้คิดใกล้ใกล้เคียงกับเทพเจ้าพวกตีมุรติเนี่ยทีนี้ก็พอเป็นนภวงศส ก, กลิงขึ้นมาเนี่ยปรากฏประยุทธ์เหนียวใจคนไม่ได้เลยก็สร้างขึ้นมาเป็นพระพุทธ ทีนี้พอเป็นพระพรมาทํายังไงเอามนุษย์มามาอยู่ในจุดเดียวกันได้ล่ะนะคือทํายังไงจะให้เข้าใจว่าโลกทั้งผองพี่น้องกันได้ก็เลยก็ให้เอมนุษย์ซึ่งมีอยู่ก่อนนะแล้วที่เทวนิยมให้จับให้จับประเด็นมยาใหญ่เนี่ยแล้วคําคดีนะว่าจริงคือว่าคนเกิดก่อนนะคนเกิดหลังเ่ยคนเกิดที่หลังนะ่ะจะเป็นพ่อของคนเกิดก่อน จะเป็นที่มาของคนเกิดก่อนมนุษย์เะมันเกิดมันเกิดมาก่อนเห็นไหมการสร้างพรมมันสร้างปรมาตมันสร้างพรมมันสร้างมหาตมัะไรแตะเรนสร้างมาจะมาเป็นพระพรหมเนี่ก็พวกพรามเนคนสร้างขึ้นแต่พรามมันมีอยู่แล้วพรามมันมีอยู่ก่อนล้านหน้านั้ น, น, น แ, ลแล้วมนุษย์มันมีในโลกมาตั้งกี่พันปีกี่ล้านปีล้วก็ไม่รู้พวกนั้นก็เกิดสร้างขึ้น แล้วก็เอาเอาพระพรหมซึ่งตัวเองสร้างขึ้นนะฮะสร้างขึ้นจากจินตนาการเนี่ยให้กลายเป็นที่มาของสรรพสัตว์เป็นที่มาของโลกของสรรพสัตว์อธิบายพระพรหมจะหยดย้อยนะฮะแต่ถ้าเราดูกระแสความคิดกลับไปดูที่ดินที่น้ําที่ลมที่ไฟซึ่งก่อนมากเลยนับถือเนี่ยลักษณะอย่างเดียวกันอธิบายภาวะเนี่ยคเครียดสภาวะเนี่ยอจะอธิบายอย่างเดียวกัน เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนถ้อยคำํำแล้วไปดูเธออธิบายคุณลักษณะของเทพเจ้าสูงสุดเนี่ยอธิบายแบบเดียวกับพวกนับถือดินนับถือน้านัาถือลมนับถื อ, ถอไฟนับถือภูเขาต้นไม้อธิบายแบบเดียวกันจนยุ่งใหญ่ที่สุดที่มาของสรรพสิง่งสรรพสิส่งเกิดจากอย่างนี้นะแล้วก็พวกนี้จะเป็นอนาธิคือไม่มีเบื้องตน้นเป็นอนันตะจะไม่มีที่สุดเป็นที่มาของสรรพสัตว์ใหญ่มากๆเลยอธิบายใหญ่โตนะฮแต่ลักษณะเขาอย่างนั้นตลอด ซึ่งก็แปลกว่าทำไมไม่มีการวิจัยทำไมไมมีการศึกษาทำไมไม่มีการปฏิบัติแล้วไปพิสูจน์ทดสอบกันดูว่าจริงหรือเปล่าทีม่มันเชื่อถือกันมาเนี่ยเพราะแนวเหล่านี้ก็จะเดินมาจนถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่าก็เอาคนที่มีอยู่แล้วนั่นแหละคนที่มีอาชีพแตกต่างกันอยู่แล้วตระส์ทเขาก็มีอยู่แล้ว นะพวกพ่อค้าวันนี้ทั้งหลายก็มีอยู่แล้วพวกเจ้าทําพิธีกรรมต่างๆก็มีอยู่แล้วแล้วก็พวกกรรมกรพวกคนงานมันก็ธรรมดามันก็มีอยู่แล้วทั้งนั้นนะะทีนี้ก็เพื่อให้เกิดลัที่ยอมจํานนแล้วตนเองจะควบคุมสังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในคัมภีร์คัมภีร์ขอ ง, ขอ ง, ของเขาเองนะฮะไม่เหมือนคมภีรเราถ้าคำภีร์เราจะเรียกว่ากษัตร์พราหมณ์แพทย์สุด แต่ถ้าคมภีรเขาแล้วจะเรียงว่าพรามกษัตริย์แพทย์สุดอะไรเพระถือว่าถ้าเหล่านั้นมันก็สร้างมาจากสร้างมาจากองค์พระพรหมพวกพรามเนี่ยออกมาจากโอทของพระพรหมบ้างนะะแล้วก็กระหม่อมของพระพรห ม, มก็มีอย่างท่านดันจานีโคดเนี่ยออกมาจากกระหม่อมเลยหมายความว่าพรามมันก็มีวรรณะล ด, ดหลั่นกันลงมาและจนถึงวรนณะหนึ่งซึ่งถือว่ามีคนมากเนี่ยภารัตวาชาเราจะได้ยินบ่อยพรารัตวาชาเนี่ย ก็เป็นวันะที่ในหมู่พราหมณ์กับพราหมณ์นะฮะก็ถือว่าเป็นวันะที่ต่ําแล้วกษัตริย์เนี่ยมันก็มีอธิบายว่ามันเกิดมาจากพาหาบ้างอุระบ้างนะฮะคือสรุปว่าแขนบ้างอกบ้างอลไรแต่แล้วถ้าถามว่าพวกแพทย์ซึ่งเป็นพ่อค้าวันนิดทั้งหลายอาชีพในสมัยนั้นมันก็อาชีพเกี่ยวกับเกรรมนะเป็นยุคเกษตรกรรมแต่ว่ามีการค้าขายทางเรือมีการค้าขายทางคารวานะ แล้วก็มีการค้าขายแบบสังคมชน บ, บทของเราในปัจจุบันเนี่ยก็แลกเปลี่ยนทิ้นค่าอะไรต่างกันมันก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็กลายเป็นพวกนี้ว่าเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากตักเกิดมาจากพเพลา เ, อ, อ, เ อ, อ๊พระพรหมนั่งหรือยืนอะ่ะตอนสร้างมนุษย์เนี่ยเขาก็ไม่อธิบายนะก็ถือว่าแปลกก็เราดูตอนแรกคล้ายๆจะยืนพอมาถึงช่วงเป็นแพทย์เนี่ยมันคล้ายๆจะนั่ง แล้วก็พวกสูตรก็มาจากเท้าของพระปกวันนี้ดูหมิ่นเท้านะฮะดูหมินเท้าแต่ว่ามันก็แปลกอีกกันแหะเพราะว่าการไหวที่สูงสุดเขาเนี่ยบาทของอาจารย์นะ ค, ะคือรูปเท้าอาจารย์แล้วก็รูปหัวตัวเองก็ถือว่าสูงสุดแม้แต่ในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่แสดงความเคารพเทิดทูนสูงสุดต่อพระพุทธเจ้าจะจุ่มพิษที่ประบาทนะอาเจ้ารเอาปากเนะี่ยจุมพิษที่ประบาทแล้วก็ รูปพระบาทแล้วเท้าหัวเลยก็แสดงแสดงความคารวอนาตบินบที่กษัตรษฐีเนี่เกยแสดงในลักษณะนั้นแล้วปรากฏในวินัยพิ đ กก็ถือว่ามันมันก็ชอบกลดูก็ดูแล้วว่าอาวัน่าสูตรอยู่ข้างล่างใกล้ๆก็รูปมินเท้าแต่ในขณะเดียวกันก็เวลาแสดงความคารวสูงสุดก็คารวที่เท้าเป็นบาทของอาจารย์นั่นก็คือกระแสที่จะนําไปสู่ไอความเกิดเป็น เป็นตรีมูลรติในโอกาสต่ตอมานะฮะคงจะต้องเล่าในวันต่อไปวันนี้รายการใต้ร่มพระโพธิญาณก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบุญในธรรมซึงมีแต่ท่านผู้ฟังตัางหลายโดยทั่วกันสวัสดี